ขอโอกาสท่านพระมหาเถรานุเถระแห่งวัดปยุระวงสาวาทและต่างวัดทุกรูปซึ่งมีท่านเจ้าขุนพระเทพปฏิพานกวีประธานองค์การเผยแผ่วัดปยุระวงสาวาทเป็นต้น ขอต้อนรับเพื่อนสหธรรมิกว่าที่นักเทศทุกรูปและขออนุโมทนาและเจริญพรญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะท่านสดแดงเอียดที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แม่ชีทองสุขนามเจ็ดสีจากฮ่องกงและคุณสมศักดิ์แกมเกดผู้ช่วยเพิ่มนายการเกตเทอบุรีเป็นต้นวันนี้เป็นวันประถมฤกษ์เริ่มการฝึกอบรมท่านทั้งหลายให้เป็นนักเทศจัดโดยองค์การเผยแผ่ วัดปยระวงสาวาตโดยการอุปถัมภ์จากสำนัก ง, งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และอื่นๆซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็เบญจเพศแต่ว่าผู้อำนวยการผู้จัดก็ยังดูหนุมน่มๆกันอยู่นะ ทั้งผู้ประถมด้วยยังหนุ่มยังสาวกันอยู่เริ่มมาอย่านับปีว่าย้อนไปยี่สิบห้าปีก็กลายเป็นเริ่มปีสองพันห้าร้อยสาสิบห้าไม่ใช่นะท่านที่มาใหม่ต้องนับว่าปีที่เริ่มจริงๆเนี่ยถ้านับไปย้อนหลังไปบัดนี้เนี่ยมันสี่สิบปีแล้ว 39เกปีเกือบสี่บะเป็นโครงการที่อยู่ยงคงกพันนะอาจจะทำเหรียญรุ่นได้เลยครั้งแล้วละ่ะแค่เดินผ่านก็เทศได้แล้วอย่างเนี้ยนะเพราะว่ามีชั่วโมงบินในการจัดมาเนี่ยสาม้าย่างที่4ี่สิบปี รุ่นแรกเราจัดในปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดและนับมาบัดนี้เนี่ยก็หกสิบอ่ะเอายี่สิบลบหกสิบก็สี่สิบอ่ะสี่สิบปีบางรูปยังไม่เกิดเลยบ้้งเนี่ยที่มาเรียนบางทีก็มีสมเรียนน้อยๆนะอาจจะเคยเรียนรุ่นแรกนะแล้วมาเกิดเป็นเนน เลยเลยก็โชคชะตาเลยให้ต้องมาเรียนอีกรอบหนึ่งเพราะเรียนครั้งที่แล้วไม่จบระวังนะครับพวกที่โดดนะเนี่ยอาจจะต้องมาเรียนในชาติต่อไปอีกเพราะว่าโครงการนี้ไม่ยุติง่ายๆต่อเนื่องกันมาหายากนะครับโครงการที่จัดฝึกอบรมนักเทศที่เริ่มมาพร้อมๆกับเราเดี๋ยวนี้ไม่มีเหลือแล้ว บางแห่งบางที่ก็ปิดไปพร้อมกับการมรณภาพของผู้จัดของเจ้าอาวาสแต่วัดปยุระวงสาวาสนั้นส่งไม้ต่อต่อกันมาตั้งแต่หลวงตาแพรเยื่อไม้หลวงพ่อพุทธรยานในรุ่นเดียวกันก็มาถึงรุ่นปัจจุบันและก็ยังจะส่งต่อต่อกันอีกท่านสดก็จะต้องมาอุปถัม์ต่อเนื่องกันไปเรื่อยนะ ฉะนั้นมาที่นี่ให้ความมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ตั้งแต่ 2,521 เนี่ยเริ่มมาอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะมีท่านที่ถ้าความเล่าถึงเอาเป็นว่าในสมัยหลวงพ่อพุทธรายานเป็นเจ้าอาวาสพระครูพิสารธรรมโกศลเป็นประธานองค์การเผยแผ่และผู้พูดเนี่ยเป็นเลขานุ ก, การ ก็จัดโครงการฝึกอบรมนักเทศรุ่นแรกขึ้นมาใช้ห้องประชุมนี้มีผู้มาเข้าอบรมในรุ่นแรกประมาณหนึ่งรอยรูปปาธกถ า, าที่หลวงตาแพรเยื่อไม้พระครูพิสานธรรมโกศลได้กล่าวแสดงในการเปิดประถมนิเทศวันนั้นเนี่ย จำได้ว่าเรื่องกว่าจะมาเป็นหลวงตากว่าจะมาเป็นนักเทศระดับชาติระดับที่เป็นบุคคลสำคัญในด้านวัฒนธรรมที่ได้ประกาศยกย่องเพราะว่าท่านได้เขียนหนังสือชุดหลวงตาด้วยหนังสือของท่านมีผู้เอาไปสร้างเป็นภาพยนต์ผู้แสดง ได้รางวัลได้ตุกตาทองในฐานะผู้แสดงนำเป็นหลวงตาเพราะฉะนั้นจึงเป็นหนังสืออ่านประกอบของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่บัดนั้นมาจนบัดนี้แต่คนจะไม่รู้หรอกเพราะท่านใช้นามปากกานามปากกาว่าแพร่เยื่อไม้แต่ที่จริงคือพระครูพิศสารธรรมโกสน สุพน์การจนิโกก็เริ่มกันจากบัดนั้นมาจนบัดนี้ท่านลองคิดว่าชั่วโมงบินของผู้จัดเนี่ยที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเป็นผู้ก่อการและดำเนินการและก็มีประสบการณ์สอนมาหลายรุ่นได้ดีไปก็เยอะเนที่ไม่ได้ดีก็ไม่ต้องพูดถึง ประสบความสเร็จไปมากมายไปถึงอเมริกาก็ยังไปเจอพระที่มาแนะนำตัวรุ่นนั้นรุ่นนี้นะไปในยุโรปไปแะไรต่างแนะนำหมดบางรูปบอกว่ามาเรียนปริญญาโทที่อเมริกาได้รับการยกเว้นวิชาเกี่ยวกับเนี่ย public speaking เนี่ยเพราะมีเซ r ร i ต i c a t e จากสำนักดังมากในประเทศไทยประเทศไทยชื่อวัดประยูน เขาถือว่าเป็นนักพูดเลยทำไมคุณพูดเก่งแล้วเกินให้มาพูดหน้าฉันไม่ต้องเรียนลหละเอาอันนี้ไปแสดงเพราะฉะนั้นเก็บให้ดีนะครับใบประกาศเตยาบัตรที่ท่านได้ไปเนี่ยเทศทั่วราชอาณาจักรรวมถึงโอชิเนียด้วยนะมาเลเซียไปถึงอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราไม่ได้ให้ง่ายๆนะท่าน 80% ของเวลาที่โรงเรียนท่านจะต้องทำให้ได้ 80% ถ้าขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันไม่ถึงไม่มีทางได้ประกาศสิยบัติใต้โต๊ะเราก็ไม่ให้เงินทอนเราก็ไม่รับเพราะฉะนั้นเอาจริงนะครับเมื่อท่านมาแล้วท่านคาดหวังอะไรจาก การเรียนวิชาการเทศนาที่วัดประยูนให้ได้สักสี่เรื่องครับในสี่เรื่องเนี่ยบางรูปได้บางเรื่องมาแล้วก็มาเรียนซ้าบางรูปเจอกันสามสี่ปีรวดนะไม่ใช่สอบตกนะแต่ว่าในสี่ข้อเนี่ยมันไม่ได้ในปีเดียวหรอกบางท่านอาจจะได้หนึ่งข้อสองข้อ สี่ข้อที่ว่าเนี่ยข้อที่หนึ่งสแสวงมาให้ได้แรงบันดาลใจให้ได้แรงบันดาลใจแม้แต่นักเทศเดวยกันนี่ก็ยังจะต้องหาแรงบันดาลใจบางทีไฟมันมอดนะมันหมดกำลังใจแต่ได้เห็นกายนานมิตรที่สู้ที่ทําไม่หยุดเรานึกถึงครูบาอาจารย์บางทีไม่เห็นครูบาอาจารย์นะ งานท่านหนักกว่าเราอีกนะไปเทศไปสอนที่นั่นที่นี่ยังมีเวลามาสอนพวกเรายังมีเวลาไปเผยแผ่ไม่เห็นแกนเหเกน็ดแกเหนื่อยเกิดแรงบันดาลใจเราจะมาจำวัดนอนหลับทับสิทธิ์อยู่ได้อย่างไรนี่ข้อแรกหาแรงบันดาลใจจากรุ่นน้องก็ได้จากเพื่อนๆก็ได้คุยไปคุย ม, มันเกิดฮึดขึ้นมาอยากเป็นนักเทศ หนึ่งมาให้ได้แรงบันดาลใจสองมาให้ได้การฝึกฝนอ่านตำลามันก็สู้มาฝึกไม่ได้หรือท่านเขาให้ขึ้นธรรมะจริงๆเลยให้ได้การฝึกฝนหนึ่งให้ได้แรงบันดาลใจสองให้ได้การฝึกฝนข้อที่สามให้ได้พบตัวตน ตัวตนของเราคืออะไรเดี๋ยวจะว่าแต่ละข้อดีกว่าและข้อที่สี่ได้เพิ่มภูนประสบการณ์หรือชั่วโมงบินในสี่ข้อเนี่ยข้อแรกที่ท่านทั้งหลายจะต้องได้ก่อนเลยคือแรงบันดาลใจมานั่งฟังมานั่งเรียนหรือมาพบมาปะมาพูดคุยเนี่ยมันเกิดวาบสว่างวาบขึ้นในมโน ปณิธานของเราอยากเป็นนักเทศไม่มีใครเสกท่านได้หรอกไม่มีใครปลุกให้ท่านเป็นนักเทศได้หรอกถ้าท่านไม่อยากเป็นเอาไฟหลนก้นบางทีเต่ามันยังไม่เดินเลยท่านลากงานาให้ฟังก็ยังไม่ฟังและไม่คิดอยากจะเป็นนักเทศเปิดเสียงตามสายไปถึงกุฏิมันยังปิดเลยท่าน มาเสมอเมื่อไหรนะ่ล่ะเพราะฉะนั้นท่านอย่านึกว่าการเป็นนักเทศน์เนี่ยมันเริ่มมาจากโน่นมาจากนี่มันต้องอยากเกิดฉันทะก่อนในอิธิบาทเนี่ยถ้าท่านไม่มีฉันทะนะวิริยะมันไม่ตามมาหรอกพอท่านมีฉันทะไฟที่จะเป็นนักเทศอยากเทศ วิริยะความเพียรฝึกฝนฝันฝ่ามันจะตามมาจิตตะฝักไฟจิตตะหมกมุ่นจดจอ่อไปไหนก็ฝึกเทศอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะเทศมหาชาตินี่ล้อง แ, แลแม้แต่เข้าห้องน้ำท่านจนหลังคาล่วไปหลายกุฏิหลายหลายแหง่งเพื่อนปลาหลังคา ใครจะเป็นยังไงไม่รู้จะแหล่ท่าเดียวอะ่ะเหมือนพวกนักร้องอย่าไม่เข้าห้องน้ำก่อนเนี่ยพวกจิตตะไม่ใช่โรคจิตนะจิตตะคือจดจอ่อมุ่งมั่นแล้ววิมังษาเทศอย่างไรให้มันดีฝึกฝนฝันฝ่นฝามันก็จะตามมาที่ว่าแรงมาดานใจเนี่ยทุกคนต้องมีท่านถ้าไม่มีแรงบันดาลใจมันไม่มีจุดสตาร์ทไม่มีจุดเปลี่ยนในชีวิต แล้วเราเนี่ยมักจะนึกว่าเรื่องการเทศเนี่ยเป็นภาระเพิ่มเติมซึ่งคิดผิดเราทานอาหารฉันอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ภาระมันเป็นความจำเป็นทุกคนก็ต้องดื่มน้ำทุกคนก็ต้องกินข้าวเป็นพระทุกรูปก็จะต้องสวดมนต์ภาวนามีใครยถาสัพเีไม่ได้บ้าง ศึกษาเล่าเรียนนักธรรมบาลีเท่าที่จะเรียนได้ภาคเพียรปฏิบัติรักษาศีล น, นั่งกรรมฐานกรรมฐานเป็นภาละที่ไหนเราสวดมนต์เราก็จเจริญจิตภาวนาไปด้วยสวดมนต์ภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัติสันทั์ในเทสนาในการสั่งสอนอันนี้เป็นพันธกิจสี่อย่าง ที่พระเจ้ามอบให้พระทุกรูปใครเข้ามาบวช ก, ก็ต้องทอําอ่ะเหมือนเป็นโยมก็ต้องจ่ายภาษีอะ่ะเป็นพระก็ต้องเทศอะ่ะจะทำมาศสูงทำมาดเตี้ยมันอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเทศไม่ได้สิถือว่าท่านบกพร่องมันเป็นเรื่องของท่านแต่บางคนก็บอก เรียนนักธรรมไม่เรียนนักธรรมตรีก็ไม่เรียนไม่เลยอันนั้นเป็นความบกพร่องแต่ใครบวชมาก็ต้องเรียนใช่ไหมบวชเรียนและพอมีแล้วพอวพอมันมีถึงจุดหนึ่งท่านก็ต้องสอนพระพุทธเจ้าเจงบอกว่าที่พระองค์หวังจากพุทธบริษัทสี่แล้วก็สมหวังเนี่ยตอนมารมาอาราธนาให้ประนิพนธ์ตัดสรู้ใหม่ๆจบเป็นพระพุทธเจ้ามารบอกท่านพระโคโดม ท่านไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วนะ่ะอยากเป็นพระเจ้าก็เป็นแล้วและจะอยู่ทำไมโปรดดับขันทะปรินิพานได้แล้วนิมนต์ตายเออพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอ่ะกิเกลตก็หมดเป็นพระเจ้าก็เป็ น, ปนและอยู่ทำไมให้มันเหนื่อยเหนื่อยในการหายใจท่านเป็นภาระมานก็มาทูลอารธนาให้ปรินิพาน แค่ตัสรู้ยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยมานมาแล้วกวนจริงๆพระเจ้าก็บอกว่าเราจังจะต้องเผยแผ่ต่อไปและเมื่อพุทธบริษัทลูกศิษย์สาวกของเราเนี่ยยังไม่แก้วแก้วกล้าในสี่เรื่องยังจะไม่นิพันหนึ่งในเรื่องการศึกษาธรรมะสองในการปฏิบตัติตามที่ศึกษาปฏิบัติธรรมะ 3. ในการเผยแผ่ธรรมะสี่ในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาสี่อย่างท่านสี่สิบ้าปีเนี่ยพระพุทธเจ้าทำเรื่องนี้พอครบกำหนดมานมาแล้วมาทวงสัญญาในวันมาฆบูชาปีสุดท้าย บอกพระองค์ตอนนี้เนี่ยพุทธบริษัท4ีเนี่ยครบทำครบสี่เรื่องแล้วศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ปกป้องคุ้มครองภูษณะค ม, ค ม, ค ม, ค ม, คมประรัปประวาติได้แล้วนิพพานได้พระผู้เทอเจ้าจึงรับคำมารธนาของมารไงและปรงพระชนมายุสังขารเพราะสี่เรื่องสำเร็จฉะนั้น ถ้าพระสงฆ์บวชมาแล้วไม่ทำสี่เรื่องเท่ากับไม่สืบสารปณิธานของพระพุทธเจ้าเท่ากับทำให้สิ่งที่พระุทธเจ้าคาดหวังจากเราเนี่ยพ่อแม่หวังอะไรจากลูกลูกไม่ได้ทำท่านจะต้องทำอะไรบ้างบวชเข้ามาจะต้องศึกษาเราเรียนปฏิบัติปฏิบัติ ต, ตามที่เรียนมาแล้วก็เผยแผ่คือสอนคือเทศ แล้วเทศสอนยังไม่พอท่านใครมาว่าร้ายใครมาโจมตีต้องสามารถปกป้องได้คมประวับิประวัตอ่ะและประรับประวัตนี่ไม่ใช่หมายถึงพวกาศาสนาอื่นเท่านั้นนะยังหมายถึงไอ้พวกเดียวกันเนี่ยที่มันมาซ้เป็นด้ามไัยเนี่ยมาว่าเราอย่างงู้นอย่างงี้ถวายเงินไปแล้วใช้พระใช้เงินไม่เป็นคขาหลังจะไม่ถวายอีก น, นะ ตามวัดต่า ง, างๆยกเว้นวัดประยูนะเนอะส่งมาเท่าไหรเท่าไรอบรมนักเทศน์หมดท่านเลยมาให้แค่นี้ก็ชี้แจงไม่ได้ท่านเอาเงินมามาทำอะไรใช้ที่ไหนมีเงินทอนหรือเปล่าถ้าฝึกเทศวัดประยูนแล้วมันตอบได้นี่ถ่ายทอดไนดิ พูดเพื่อให้มาเรียนไม่ได้ไม่ม่มถูกประสงอื่นหรอกหัวเราะดังอยู่ข้างนอกกัน <c oughs> ไปหัวเราะยอะกใครอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่เหมือนกับอยาให้นึกถึงว่ามันเป็นภาระเพิ่มเติมคือเป็นเป็นขั้นพื้นฐานน่ะบวชแล้วไม่ทําได้ยังไงบวชแล้วบอกจะถามไม่ได้โยมงั้นอย่าฉันสิเ <c oughs> ทศก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โอ้ไม่ต้องแล้วไปทํางานอย่างอื่น นี่คือสิ่งที่พระเจ้าหวังไว้ถ้าท่านอยากจะไปอ่านไปอยู่ในอยู่ในมหาปรินิพานสูตรเราก็มาพูดง่ายๆก็คือสวดมนต์ภาวนาแถมเข้ามาหน่อยศึกษาเราเรียนภาคเียนปฏิบัติสันทั์ในการเทศนาหลวงพ่อพุทธรยานท่าน เ, เรียงร้อยเป็นคำคล้องจองไว้ที่พูดในวันแรกอย่างนี้เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลาย ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นภาระเสียเวลาอะไรมันต้องทำท่านไม่ทำแล้วอยู่ทำอะไรถามกันอย่างนี้เลยเกะกะวัดท่านโอ้เป็นเจ้าวาดก็ต้องพูดอย่างนี้แหละวันหนึ่งถ้าท่านเป็นเจ้าวาดท่านจะพูดเหมือนผมนี่แหละ <c oughs> เออพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้ มันจะต้องมีแรงบันดาลใจว่าจุดหนึ่งเนี่ยอยากจะเป็นนักเทศละเรียนมาก็เยอะแลวนะสอนโรงเรียนก็สอนแะแต่อยากจะขึ้นธรรมาะ ถ, ถือคัมภีร์เนี่ยแรงบันดาลใจคืออะไรที่ทำให้เกิดจันทะสุมเมธดาบทเป็นดาบทนั่งกรรมฐ า, านได้ฌานสมาบัติพอเห็น พระทีปังกรพุทธเจ้าเดินมามีพระตา ม, มาเป็นแถวๆตนเองกำลังเอาดินมาถมโคลนนะเพื่อเหมือนกับว่าให้พระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยเดินข้ามไปโดยไม่เปื้อนโคลนแต่ทําไม่ทันพระกับพระพุทธเจ้าเสด็จมาก่อนเนี่ยจึงต้องเอาตัวเองทอดเป็นสะพานให้เหยียบแล้วยอมเปื้อนโคลนเน่ยแล้วถามว่าอยากเป็นอะไร ทำบุญขนาดนี้อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไม่เอาขอเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์ถ้าไม่อยากเป็นพระพุทธเจ้าแรงบันดาลใจจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนั้นถ้าวันนั้นมัวแต่ อ, อยู่ที่ภูเขาหิมพา น, น่ะ น, นะไม่ลงมาเจอพระพุทธเจ้าที่ปังกรเราอาจจะไม่ได้อยู่ในศาสนาพระสมณะโคดม เพราะสุมเมธาดาบทก็คือพระพุทธเจ้าของเราแต่มันมีจุดเปลี่ยนจากปู่ทุชนเนี่ยขึ้นเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าใครจะรู้บ้างวันนี้ถ้าท่านจําวัดอยู่ที่วัดไม่มานี่อาจจะไม่ได้มีนักเทศอย่างท่านนะท่านจะต้องแสวงหาแรงบันดาลใจที่เป็นจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตคําพูดไม่กี่ประโยคหรอกท่านมันไขกุญแจ ทำให้เราอยากเป็นอธิษฐานใครอ่านหรือแปลธรรมบทเนี่ยจะนึกภาพวันออกพรรษาที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมีบันไดบันไดทองหนากเงิ น, นพระเจ้าอยู่บันไดกลางเนี่ยนะมีพระพรหมมีพระเทวดา ลงขนาบมาเนี่ยแล้วพระทั้งหลายก็ไปต้อนรับในวันออกพรรษาที่สังกัดสานนครพระสารีบุตรนี่นะเป็นหนึ่งในผู้ที่ยืนต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินลงมาห้อมล้อมด้วยเทพเทวดามีคนทันบรรเลงดนตรีเพลงโปรยดอกไม้เนี่ย ฝูงคนรอชมพระบารมีอยู่ข้างล่างเพราะไม่ได้พบตั้งสามเดือนความงดงามในขณะนั้นเนี่ยประทับใจพระสารีบุตรถึงกับเปล่งอุทานว่าใครได้เห็นพระพุทธเจ้าวันนี้เนี่ยที่งดงามที่สุดจะไม่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นปางนี้จึงเป็นปางที่งดงามปางหนึ่งที่เรียกว่าปางลีลาน่พุทธมณ น, น, น่ พอเห็นแล้วมันฮึกหืมท่นแรงมันดาลใจและเราอยู่เฉยๆในวัดเนี่ยไม่แสวงหาแรงบันดาลใจไม่แสวงหาต้นแบบตัวแบบไอดอลเนี่ยไม่เปลี่ยนชีวิตหรอกมันก็อยู่แค่นั้นแหะ สุมเมธดาบทยังจะต้องไปแสวงหาทีปังก่อนพระเจ้าเกิดแรงมาดานใจมีมีคนคนหนึ่งไปฟังเลคเชอร์ของปาธกาถาของเบอร์ทอร์เเซลคนนี้เป็นนักพูดเก่งมากได้รางวัลโนเบลยคนอังกฤษ แกเรียนปริญญาน่าจะปริญญาตรีหรือเป็นปริญญาตรีจบมามาที่อังกฤษฟังเบอร์ทรัเซล์พูดโอ้โหเก่งจริงๆอยากพูดเหมือนเบอร์ทรัเซลลบ้างแล้วก็รู้ว่าเขาเรียนเขาเขาเก่งด้านปรัชญาเบอร์ทรัเซลลเนี่ยก็เลยพอเขาพูดจบ เดินไปหาเบอร์ทะลาลเซลเด็กหนุ่มคนเนี้ยท่านศาสตราจารย์ครับช่วยบอกหน่อยว่าผมเนี่ยเป็นคนประเภทไหนว่าเป็นคนอัจฉริยะจีเนียสหรืออีเดียตปัญญาอ่อนให้ดูงโงเฮงเลยให้บอก ผมเป็นอัจฉริยะหรือปัญญาอ่อนคุณจะรู้ไปทำไมเบอร์ทร์เซอถามคืออย่างนี้ครับถ้าท่านบอกว่าผมเป็นอัจฉริยะผมจะมาเรียนกับท่านย้ายมาจากเวียนนาเลยจะมาเรียนกับท่านตอนตอนที่แกพูดเนี่ยแกจบปริญญาตรีวิศวะ กำลังจะต่อสูงขึ้นไปอกีกกําลังหาตัวตนนะว่าจะเป็นอะไรถ้าท่านบอกว่าผมเป็นอัจฉริยะผมจะมาเรียนกับท่านเรียนปรัชญาถ้าว่าท่านบอกว่าผมเป็นปัญญาอ่อนผมจะไปเรียนขับเครื่องบินเบอร์ท่าเรือบอกเอาอย่างนี้คุณมาฟังผม ผมพูดผมปาตากถาที่นี่ยมันเป็นซีรีสนะ เ, เป็นชุดเนะต่อเนื่องกันห้าครั้งแล้วคุณสรุปที่ผมพูดห้าครั้งมาให้ผมแล้วผมจะบอกจากที่คุณสรุปเป็นบทความเป็นเปเปอร์ว่าคุณเป็นอัจชริยะหรือปัญญาอ่อนในคนนั้นก็ ครับรับปากแล้วก็มาฟังครบทุกครั้งครั้งสุดท้ายพอครบห้าครั้งก็ยื่นไอ้ที่แกสรุปเป็นบทความสีห้าหน้าเนี่ยส่งให้เบอร์ทัลเซลเบอร์ทัลเซลอ่านประโยคแรกประโยคเดียวเท่านั้นเน่ยหยุดกุ๊กแล้วก็พูดว่าผมว่าคุณมาเรียนปรัชญายกับผมดีกว่าสแสดงว่าแกเป็นอัจฉริยะหรือปัญญาอ่อน เพราะฉะนั Taco, osos, ้นเรียนให้ครบออกผลสารแล้วมาส่งสรุปแล้วผมจะบอกได้ว่าอัจฉริยะหรือปัญญาอ่อนคนคนนี้เนี่ยเรียนอยู่แล้วก็เนื่องจากวิเรียนเก่งของเรียนปัญญาเอกเลยทำวินิพล์หนึ่งเล่มไม่ทัน Submit เสนอมันเกิดสงครามโลกแกก็ต้องกลับไปเวียนนาไปเป็นครูบ้านนอกและเอาวิทยาลพยผลเนี่ยไม่ได้เสนอขอปริญญาเอกสำนักพิมพ์เอาขอพิมพ์หลังสงครามพิมพ์เผยแพร่ดังไปทั่วยุโรปใครก็อ่านเป็นเบสเซ e l l อร์เลยขายดีขายดีโด่ดงดังมาก มาหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ที่เบอร์เธอเซลอยู่เนี่ยตำแหน่งว่างอยากจะได้คนเก่งแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่านึกถึงนายคนนี้มันเรียนไม่จบมันไม่ได้ด็อกเตอร์เป็นครูมานนอกอยู่แต่ว่าทุกคนได้อ่านหนังสือของมันไปควานหาตามมามาทำให้จบก็ผมเขียนแล้วเขาว่ายังไม่ได้สอบสัมภาษณ์ สัมมิทหน่อยสิเป็นพิธีเลยไอ้ที่แกพิมพ์นี่แหละสัมมิตเป็นวิญญานิพมริญญาเอกเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเราสอบสอบสัมภาษณ์สอบปากเปลา่าเอาได้ได้ปรากฏ ว, ว่าเวลาสอบอาจารย์ก็มาถามไอ้อที่แกเขียนอย่างนี้มันหมายความยังไนงนายคนนี้ต้องอธิบายให้อาจารย์ฟังเก่งมากคุยกันเสร็จเป็นด็อกเตอร์เลยแล้วสอนอยู่ที่นี่ เดี๋ยวนี้ทั่วโลกต้องเรียนหนังสือของเขาแม้แต่ที่จุฬาที่มหาจุฬาเนี่ยเขาชื่อลุดวิกวิตเกิสไตน์มาจากประโยคที่ว่าเขียนเปนเปอร์เนี่ยใครจะรู้บ้างว่าพวกท่านวันหนึ่งผมจะต้องนิมนต์ประเทศวัดประยุนโด่งดังไปทั่วโลก ข้อที่ว่านี้คือสแสวงหาตัวตนมีแรงบันดาลใจสแสวงหาตัวตนไปพร้อมๆกันใครจะรู้บ้างว่าท่านจะมีพรสวรรค์ด้านนี้หรือเปล่าที่จะเทพไม่มีใครรู้แรงบันดาลใจทำให้อยากเป็นนักเทศท่านต้องมี ถ้ายังไม่มีท่านก็อาจจะไปทำอย่างอื่นสอนหนังสือไปอะไรไปแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงว่าเทศแบบไหนถ้าท่านไม่เคยดูพระนักเทศดีๆวัดประยูนเขาจัดมามีนักเทศระดับแนวหน้าเนี่ยมาเวียนให้ท่านดูเป็นต้นแบบแต่ละ สัปดาห์แต่ละวันพระเนี่ยทำไมเราถึงได้นิมนต์ท่านโน้นท่านนี้มาเนี่ยเพราะแต่ละคนมาถนัดกันคนละแบบจะมีใครที่จะเทศได้อย่างท่านพระเทศปฏิพานกวีอา่าอาจจะไม่ถนัดแบบนี้อาจจะถนัดแบบหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศ์สาจานอาเอาใจหน่อยมาจากวัดลาดโอรสเห็นไหก็ก็เลือกสิ แล้วเราจะรู้ว่าเราเหมาะกับแบบไหนอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมถนัดแบบไหนไม่หม่ผมก็เทศสเปซสะปะเราไอ้คว่าถนาดแบบไหนหมายความวปาอย่างไงท่านลองเทศห้าแบบเนี่ยสไตล์ห้าสไตล์เนีเรื่องเดียวกันเนี่ยนะแล้วลองดูว่าผู้ฟังเขาชอบแต่อย่าไปเทศให้คนกลุ่มเดียวนะกระจายกระจาย เล่านิทานเรื่องเดิมเหมือนท่านมาลีเดิมแต่สไตล์คนละสไตล์มันมีสไตล์แบบวิชาการใช่ไหมสไตล์แบบธรรมะบรรทิงเนะพูดให้หัวเราะตกเก้าอี้นต้องทำไปเถอะท่านลองเล่าเรื่องตลกแล้วเงียบกริบเลยนะท่านไปเอาแล้วขายหน้าเขาเปลี่ยนสไตล์ออเอาแบบนี้ เป็นเรื่องเนื้อหาธรรมะธรรมมาทิฐานก็ยังเงียบกริบหลับไปหลายคนสอนกรรมฐานกันได้ทีนี อ, อสไตล์วิปัสนาจารย์เรื่องจิตเรื่องอภิธรรมว่าไปท่านไม่ได้อีกแล้วอพออภิปลายการเมืองตาโตกันโอ้นี่มันสไตล์เราเิบางองค์ก็เลยพูดไปเทศไปด่าไป ก็เขาทำได้อย่างนี้อ่ะจะให้มาสุภาพเรียบร้อยค้นลับบทพูดคำด่าคำบ่นคำเราจะรู้ท่านอย่าไปนึกว่าท่านท่านเหมาะกับเรื่องไหนถ้ายังไม่สแสวงหาผมเนี่ยผมรู้ว่าผมถนัดแบบไหนเนี่ยก็ต่อเมื่อเทศมาเยอะแยะแล้วท่านจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมานั่งเสิร์ฟน้ำพวกที่มาเรียนรุ่นแรกอะเนี่ย ผมไม่ได้ไม่ได้เรียนเนะเพราะผมเป็นเลขาผมก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยเสิร์ฟน้ำดูว่าใครจะมาเทศไหมจัดไอ้มาเป็นวิทยากรไหมไม่มาก็เครียดนะตายแล้วไม่มาแล้วจะทำยังไงบางทีเนี่ยฝนตกนะท่านกิติวุฒโทร ย, ยังจำได้เลยกว่าจะมาเนี่ยให้นิมนห้าโมงเย็นมาเอาสองทุ่ม เส้นขึ้นเลยนี่เราเป็นผู้จัด ก, การเราไม่รู้เราไม่ได้ตั้งใจฟังแต่เสียงมันเข้าหูมีวิทยกรสองสามท่านนะเล่าอะไรนี่มันเห็นภาพหมดเลยโอ้ชอบอาจารย์อ่อนอาจารย์อ่อนเนี่ยเล่านิทานนะ เห็นเป็นภาพหน้าตายด้วยเล่าหน้าตายหน้าตายจริงๆแต่เห็นภาพพันเอกทองคำสีโยทินรุ่นนั้นน่ะนะพูดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นเป็นภาพไปหมดเลยอ่ะโอ้อย่างนี้ผมทมได้ ผมก็ลองเล่าดูนะครั้งเดียวไปโอ้ท่านพูดให้คนร้องไห้นี่ร้องไห้เลยนะท่านคนเห็นภาพอะไปเทศที่วอชิงตันดีซีเล่าเรื่องพระพิมลธรรมถูกตำรวจจับเล่าไปเล่าไปนี่น้ำตาคนฟังนี่ไหลกันจนเราจะเทศเอมันจะเสียมันมันมันลึกเข้าไปเรื่อยๆเล ย, เย น, นะ ทำไงจะกระตุกให้คนมันไปเรื่องอื่นบ้างมันจมไปอยู่ในตรงนั้ น, นพอดีไอ้คนฟังมันเกิดลืมปิดโทรศัพท์โทรศัพท์บันดังออกมาคนเลยหายเศร้าเลยปิดโทรศัพท์หรือ ย, อยังเห็น <c oughs> ไ, ไหมกระตุกอารมณ์เลยไหมเนี่ยมันคืออะไร สี่สอคืออะไรแจ่มแจ้งสันทัศนาสมาธบนาจูงใจสมุตเตชนาแกล้ากล้าสัมปหังสนาร่าเริงมันอยู่ในนั้นหมดเลยถ้าเล่าเรื่องดีๆเนี่ยแจ่มแจ้งเข้าใจธรรมะจูงใจให้คล้อยเกิดอารมณ์ร่วม แล้วเกิดแกล้กลาทำได้แถมสนุกมันอยู่ในการเล่าเรื่องเนี่ยไอ้ที่ว่าคลิกขึ้นมาคือเขาเล่าเรื่องเรื่องเดียวมันมีทั้งแจมแจ้งทั้งจูงใจทั้งแกล้กลาทั้งร่าเริงแต่พวกเรามักจะไปนึกว่าเดี๋ยวพูดตรงนี้ให้มันได้สอแรกหนึ่งแจมแจ้งตรงนี้ได้จูงใจตรงนี้ไดแกวกล้าตรงนี้ไม่ใช่ท่าน ในกระดิกนิ้วเดียวเนี่ยมันได้สี่สอเลยซึ่งยากผมเห็นพวกเรามาอบรมกันเนี่ยนะจะได้สักสอก็อยากบางทีชั่วโมงยังไม่ได้สักสอห้านาทีนให้มันได้เลยสี่คำแจมแจ้งจงใจแก้อกล้าล่าเริงแรงบันดาลใจ ได้การฝึกฝนได้ค้นพบตัวตนและเพิ่มพูนประสบการณ์ที่จริงพูดอยู่ในนี้หมดนะ่ะที่พูดมาเนี้ยมันครบสี่เรื่องแนหะเทียงแต่เราจะต้องแยกให้ออกใจแยกให้ออกแรงบันดาลใจได้ต้นแบบได้การฝึกฝนซึ่งท่านต้องมาทำที่นี่ ได้พบ ต, ตัวตอนเหมือนกับรุดวิทเกนสไตล์เหมือนกับที่เล่าเรื่องตัวเองและได้ประสบการณ์ชั่วโมงบินมาอยู่เรื่อยๆฝึกฝนได้ชั่วโมงบินตกธรร ม, มาติก็ไม่เป็นไรมันได้ประสบการณ์มาที่นี่นีจะได้ครบสี่สอเลยเรื่องการฝึกฝนก็ต้อง เมื่อกี้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าสำนักวัดประยูนยมีประสบการณ์ในการสอนวิทยากรท่านเรียกว่าไปให้ความรู้ทั่วประเทศจัดอบรมที่ไหนเรื่องนักเทศเนี่ยต้องมีวัดประยูนยนี่แหละรวมถึงธร ร, รมาทองด้วยเน้นธรรมะทองหลักสูตรก็แถวๆนีนะ้ร่วมกันแม้กระที่วัดราชโอรสที่ไหนก็ตามที่มหาเถรน นี่ช่วยกันทำเอาของที่นี่หลยทำหลักสูตรสมัยที่มอสอไปประชุมวัดบวรเนี่ยนะก็รับทำหลักสูตรให้วิยากรกเ น, ก น, นี่นี่แถวเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประยูนในสมัยดิการที่ห้านะอยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประยูน อยากเป็นเจ้าคุณให้อยู่วัดมห า, าธาตุตำหนักสมเด็จอะพระสังฆราชประทับอยู่ที่นั่นตลอดนะอยากเป็นนักปราชให้อยู่วัดสามพญาอยากเป็นมหาให้อยู่วัดเบญจมบพิตรสมัยพระสังฆราชปลดนะ น, นะได้ประโยคน์เก้าเป็นเอ็นรูปแรกในสมัยรัชการที่ห้าก็กระจายเกียรติศัพท์ อยากเป็นนักเทศวัดประยูนเนี่ยสืบสารประเพณีในการเทศนาสาลิกาป้อนเหยื่อแบบไหนอย่างไรท่านต้องมาเรียนนะลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อโดยจเจ้าวาดรูปที่สามสมเด็จพระพุทธโคศสาจารย์จีเนี่ยที่มาเป็นจเจ้าวาดอยู่4ี่ปีเนี่ย วางลากฐานแบบแผนตั้งแต่ 2,375 เจ็ดสิบห้าเนี่ยวิธีการเทศลีลาสาริกาป้อนเหยื่อเป็นยังไงสำนักเราเนี่ยสืบทอดกันมาจนบัดนี้โดยตอนที่ท่านเป็นชั้นเทพนะะท่านจะคุณสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระโคสาศสาจารย์จีเนี่ยเป็นชั้นเทพเนะี่ยราชธินานามของท่านเนี่ย ในส้อยนามเี่นะจะมีคำว่ามหาธรรมกระถึกคะ ห, ะหออนืฤสนเป็นส้อยนามปกติพระทั่วไปจะใช้คำว่ามหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีแต่สมเด็จเราส้อยนามว่ามหาธรรมกระถึก คณะหรือสอนหรือคณนนิสอนคณะหรือสอนบวรสังคารามคามมวาวสีมีองค์เดียวที่ในหลวงให้สร้อยนาว่าพระอาจารย์สร้อยนามว่ามหาธรรมมกถึกวัดประยูนแล้วก็เป็นต้นแบบมาจนปัจจุบันในรุ่นเดียว ก, กันกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์จีเนี่ยท่านเป็นสมเด็จ ปี 2,400 คลองวัดอยู่25ปีก็เป็นสมเด็จ 2,400 ถัดมาอีกน่าจะสัก10บปีก็มี10บกว่าปีก็มีสมเด็จเพื่อนเทศดดวยกันเนี่ยได้เป็นสมเด็จชื่อครัวโตครัวโตวัดละคังเนี่ยเทศดดวยกันเป็นสมเด็จทีหลังประมาณ10 10บกว่าปี วัดละคังวัดประยูนยตอนนั้นฉะนั้นการฝึกฝนนักเทศที่นี่เนี่ยมันจึงสืบสารประเพณีแล้วทำไมทำไมต้องที่นี่มีคนคนหนึ่งไปเรียนยิงธนูกับอาจารย์ ยิงธนูนะ่ะปรากฏเรียนแป๊บเดียวก็ยิงเข้าเป้าละขอจบหลักสูตรกลับได้ประกาศนียบาตรจากสํานักอาจารย์ถามว่าคุณเรียนไปทําไมคุณก็คุณก็ยิงเก่งแล้วอะ่ะแล้วมาเรียนแป๊บเดียวคุณก็ยิงตรงเป้าแล้วจะมาเรียนทําไมเรียนจะไปสอนเขาครับไปเป็นอาจารย์ เรียนไปเป็นอาจารย์ผมก็ยิงได้แต่ว่าสอนไขไม่ได้อยากจะหาวิชาครูสอนเรื่องยิงธนูจากสํานักของอาจารย์เนี่ยเพื่อไปสอนวิชาการยิงธนูผมยิงแม่นแต่ผมสอนไม่ได้อาจารย์ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นมีข้อมีข้อสอบให้คุณคุณตอบเมื่อไหรนะ่เลยตอบได้ จบเมื่อ น, นั้นเพราะคุณไม่ต้องฝึกเรียนแล้วไม่ต้องฝึกยิงคุณยิงประจำแล้วแต่สอนไม่ได้เหมือนนักเทศอะเทศได้เทศดีเทศเกง่งแต่สอนไม่ได้วิชาครูในการสอนยิงธนูก็เหมือนวิชาครูในการสอนการเทศเทศได้เทศดีแต่สอนไม่ได้เป็นปัจเจกภูตเถ้าเจ้า ข้อสอบมีอยู่ข้อเดียวซึ่งถามพวกท่านแต่ละวันแรกวันสุดท้ายมาตอบและถ้าตอบได้เป็นครูสอนนักเทศได้คำถามมีอยู่ว่าถามนักยิงธนูคุณยิงเข้าเป้าใช่ไหมตรงกลางเลยได้คะแนนเต็มคำถามมีว่าทำไมคุณถึงยิงเข้าเป้าได้ทุกครั้ง ทำไมตอบได้ให้จบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปนั่งเล็งไปถามตัวเองไปลองยิงผิดบ้างยิงถูกบ้างโอ้ยิงอย่างนี้ไม่เข้าเป้ายิงอย่างนี้เข้าเป้าถามไปทำไมาได้คำตอบแล้วก็มาตอบอาจารย์อาจารย์บอกจบหลักสูตรกลับบ้านได้ตั้งสำนักได้คนที่จะสอนคนอื่นได้ต้องตอบคำถามว่า ทำไมจึงเทศได้ดีเทศเป็นไม่ใช่ศักด์แต่วเทศเราไม่ใช่แค่ตอบอย่างเดียวนะท่านว่าเทศทำยังไงถึงจะเทศดีเขียนเป็นหนังสือไม่รู้กี่เล่มวัตปยุนเนี่ยหลักการวิชาวิธีการเทศนาผมก็เขียนพูดก็พูดและไอ้ที่ตัวเองเทศเนี่ยมันก็อยู่ในหนังสือ น, นี่เล่มนี้ท่าน นี่เล่มที่สองนะเล่มเล่มแรกหนักใหญ่เท่านี้เล่มที่สองนี่บทแรกจะบอกว่าเทศอย่างไรถึงจะเทศได้ดีหลักการวิธีการเทศและข้างในนี่คือตัวอย่างมันก็เดินตามไอ้ที่ระวางไว้อะเนี่ยบางคนอาจจะ เขียนเหมือนกับนักเขาเรียนนักวิจารณ์หนังสือนะทํำยังไงถึงจะไอวินักหนังสือเล่มนี้วรรณกรรมเล่มนี้ดีไม่ดีให้แต้มให้กระเด้งก็ไดนะ้แต่ตัวเองไม่เคยแต่งนิยายเลยอะเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมและเราก็ต้องไปหาคนอย่างนี้แหละให้เขาวิจารณ์หนังสือเวลาเราแต่งแต่ถามว่าไอคนแต่งแต่งเป็นไ ม, ไม่เป็นอะคนที่นั่งฟังบางทีวิจารณ์พระนักเทศโอยอย่างนี้นะงุ้นอย่างนั้นเนี่ยให้ตัวเองขึ้นเทศเนี่ยตกสมามาตรมลนภาพเลยนะ่ะ ไปวิจารณ์ได้ตอนเทศนี่เนี่ยไหมเทศร่ายผมฟังเมื่อเช้าเนี่ยเทศวัดพระแก้วเนี่ยอไปวิจารณ์เขาตัวเองเทศได้หรือเปล่าไม่เคยได้ฟังเทศเลยคนวิจารณ์อะแต่ถามว่าเขาวิจารณ์ได้ไหมวิจารณ์ได้แล้วถูกต้องไหมถูกไม่งั้นมันาเจอ น, นักวิจารณ์วรรณกรรมทำไมไอ้พวกวิจารณ์หนังอ่ะภาพยนตร์เ่ยให้ดาวอ่ะมันดูหนังจนจนมันวิจารณ์ได้หนังดีไม่ดีแต่ถามให้มันแสดงได้ไหมไม่ได้เรื่อง มันจะมีคนประเภทนี้อยู่แต่ถ้าท่านเป็นนักแสดงด้วยเป็นนักวิจารณ์ด้วยนั่นคือครูเพราะท่านจะรู้ว่าแสดงอย่างไรเขียนหนังสืออย่างไรแล้วท่านก็วิจารลูกศิษย์ได้แล้วตัวเองเขียนด้วยอะ่ะวัดประยูนยคือวัดของคนประเภทอย่างนี้ ไม่ใช่แต่แต่ว่าจะเทศเก่งเทศเป็นนะท่านนะวิจารสอนคนอื่นก็ได้แล้วเทศก็ดีด้วยนิมนต์ก็แพงด้วยแต่มาสอนพวกท่านฟรีนะเห็นไหคนอื่นจะมานิมนต์พระพรหมะดินนีว่วันไหนว่างถึงจะไปให้ประเทศจีนเจอหน้าผมนะบน ห้าปีแล้วยังนี่มนผมไปไม่ได้ไปเจอกันที่ฮ่องกงขนาดจีนนะท่านกันเทศมากกว่าพวกเราอีกผมยังไม่ไปแต่พอเขาบอกว่าทำไมห้าปีแล้วไม่ไปออเลยไปใ ห, จปให้จะไปให้บอกว่าต้องมีเครื่องบินไปถึงวันนี้นะพรุ่งนี้พูดนะกลับเลยนะจะไปนี่ญี่ปุน่นแค่จะบินไปพูดกลับ เวลายังไม่พอเพราะต้องไปรับรางวัลที่เมืองไทยรางวัลสังเงินน่ะนักพูดนักเทศก็เลยไม่ได้ไปญี่ปุ่นอีกแค่วันเดียวก็ไม่มีเวลาท่านแต่มาที่นี่อยู่กับท่านสอนให้วิชาลาดโอรสไปบ้างบางครั้งไม่ได้เล่นตัวแต่ถ้าว่างไปให้นะ <c oughs> ไครั้งที่แล้วก็ไปนะเจอเออไปครั้งเดียวอีกอจําแม่นอีก <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเมื่อที่พูดเดียวให้ท่านสนรู้ว่าถ้าเป็นที่วัดประยูนอยู่ให้ประจําท่านอและเรารู้ว่าเทศอย่างไรจรึงจะเทศดีเพราะเราไม่ได้เทศอย่างเดียวท่านเราคิดเราวิเคราะห์เราสร้างแบบทําหลักสูตรแล้วฝึกฝนแล้วก็ได้ผลด้วย พระวัดประยูรก็เทศกันเป็นด้วยและพวกท่านที่มาฝึกก็ได้ผลด้วยท่านจึงได้สถานที่ฝึกฝนได้ค้นพบตนเองได้เพิ่มภูนประสบการณ์นั่นแหละคือสิ่งที่ท่านจะต้องมาที่นี่เพื่อให้ได้ครบสี่ข้อนะครับข้อที่หนึ่งให้แรงบันดันจะให้ได้แรงบันดานใจจะเหมือนใครแบบไหนไอดอลยังไง ท่านแสวงหาข้อที่สองให้ได้การฝึกฝนขึ้นธรรมชาติฝึกอะไรต่างๆเนี่ยสำนักนี้พร้อมและข้อที่สามได้ค้นพบตัวตนเราเหมาะกับสไตล์ไหนมีให้เลือกหลายอย่างแล้วข้อที่สี่บางท่านมีมาตั้งหลายปี4ี่หปีก็ยังมาเพื่อสั่งสมประสบการณ์เพิ่มพูนชั่วโมงบินมาดูมาฝึกและนั่นแหละ จะทำให้ได้ผลจากหลักสูตรนี้สข้อนะครับอย่าขาดวันนี้ตอนรับท่านทั้งหลายเท่านี้ก่อนครั้งต่อไปนะครับวันพรสุต่อไปผมจะพูดหลักการและวิธีการเทศนาจะเข้าเรื่องวิชาการวันนี้มาตอนรับท่านทั้งหลายแล้วก็อนุโมทนาสำนักงานทรัพย์สินสมรภารกษตร์ที่ท่านสดแดงเอียดมาร่วมอนุโมทนาคณะ ผู้มาถามอย่างคณะของแมช่ชีทองสุกนามเจ็ดสีทางเขตทางเขตธนบุรีและอื่นๆก็ขออนุมโมทนาและในโอกาสนี้ขออ้างคุณพระีรัตนตรัยและบารมีธรรมของบุรพาจารย์มีสมเด็จพระโครศาตาจารย์จี่เป็นต้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจั ย, อ, อ, ยอํานวยอวยพรให้ทุกรูปทุกตัน จเจริญงอกงามภัยบูรยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจในการพัฒนาตนให้เป็นนักเทศก็ให้สำเร็จสมโนรถมุงมาตรปรารถนาทุกประการทุกท่านทุกรูปทุกคนเทินสาธุ